ที่ตรงนี้กิเลสไม่มีทางได้กินอาหารก็ไม่อาจเกิดไม่อาจเจริญงอกงามเชื้อของกิเลสจึงหมดไปมันก็เลยไม่มีเชื้อที่จะให้เกิดกิเลสหรือทำให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอยู่ให้ชอบอยู่ให้ถูกวิถีเท่านั้นโลกจกไม่ว่างจากพระอระหันต์นี้เรียกว่าปฏิบัติตามหลักของปฏิจจสมุปบาท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 คือตัวกูของกูอย่าได้ไปหมายถึงความเกิดจากท้องแม่คนหนึ่งเกิดจากท้องแม่ทีหนึ่งแล้วก็เข้าลงไปทีหนึ่งนั่นไม่ใช่ความเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายมันเป็นความเกิดทางฟิสิกสลมากไปความเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายนั้นเป็นฝ่ายสปเรชวลหมายถึงการเกิดที่เป็นอุปาทานว่าตัวกูของกูวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติ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 ไม่ตายถ้ายังมีเกิดเป็นต้องรู้สึกว่าตัวกูของกูอยู่เรื่อยก็เป็นวัาตฏะสงสารไปเรื่อยคือทุกเรื่อยเป็นรูปโซ่ไปเลยเราอยากไปเข้าใจผิดตรงที่ว่าไม่เกิดไม่เกิดนี้มันหมายถึงว่างจนขนาดว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเป็นนั่งตัวแข็งเป็นท้นไม้เนี่ยไม่ใช่